นักเทศมีชื่อเสียงต่อแต่นั้นมาท่านก็มีชื่อเสียงในทางเทศตัดทอนธรรมะให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายไม่ต้องเสียเวลาไตรตรองสำนวนเพราะเทศอย่างคําไทยตรงๆจะเอาข้อธรรมะอะไรแสดงก็ง่ายต่อผู้ฟังดังประสงค์อย่างที่ถวายในวังสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาผู้ฟังชมว่าดีเกิดโอชะในธรรมสวัะได้ง่าย โลกนิยมเทศอย่างนี้มากพระธรรมกิติแสดงธรรมตามภาษาชาวบ้านถือเอาความเข้าใจของผู้ฟังเป็นเกณฑ์ไม่ต้องร้อยกรองปีชวดจะศกพุทธศักราเจได้ถูกนิมนต์เทศหน้าพระที่นั่งพอเข้าไปถึงประจอมกล่าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ก็เสด็จออกจึงปราศัยสัพยกว่าไงเจ้าคุณ เขาพากันชมว่าเทศดีนักนี่วันนี้ต้องลองดูพระธรรมกิติโตถวายพระพรว่าผู้ที่ไม่มีความรู้เหตุผลในธรรมนั้นเขาฟังรู้เขาก็ชมว่าดีขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระส่วนและทรงถามว่าได้ยินข่าวเขาว่าเจ้าคุณบอกหวยเขาถูกกันจริงหรือทูลว่าขอถวายพระพรอัตมาภาพจะขอถแถงแจ้งคาให้การ แกพระราชกระทู้โดยสัตว์ว่าตั้งแต่อาตมาภาพไดอุปสมบทมาไม่เคยออกวาจาว่าหวยจะออกดอกกวางเหม็งตรงตรงเหมือนดังบอกดอกกวางเหม็งแด่สมเด็จพระบรมบัพิษพระราชาสมพานเจ้าอย่างวันนี้ไม่ได้เคยบอกแกใครเลยหมายเหตุหวยในสมัยโบราณ น, นั้นท่านเรียกว่าหวยกอขอคือเป็นการออกตามตัวอักษรเช่นกอไก่ขอไข่ และจะมีคำต่อท้ายที่สมเด็จท่านว่าคือดอเด็กและมีคำว่ากวางเหมงต่อท้ายตามประวัติในหนังสือเล่มอื่นนั้นท่านเล่ากันว่าในเย็นวันนั้นหวยก็ออกด อ, อกกวางเหมงจริงๆทำให้ชาวบ้านถูกกันและหือหากันมากในหลวงรัชกาลที่สี่ได้ทรงฟังแล้วพระสวนอีกและทรงจุดเทียน พระธรรมรกิตติจับตลปัดแชกขึ้นทร ม, มาศเมื่ออารัตนาแล้วก็ถวายศีลและถวายสักการะพอถึงปีชวดท่านก็ย้ำฉศกฉศกฉศกฉศกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระอักษร อ, อยู่ได้ทรงฟังปีชวดฉศกย้ำย้ำอยู่นานก็เห่ยประพักขึ้นพนมหัดรับว่าถูกแล้วชอบแล้วเจ้าคุณ แต่การก่อนที่ล่วงมาแล้วเดิมเลขหท้ายักราชเขียนและอ่านต่อๆมาว่าช่อศกนั้นไม่ถูกแล้วรับสั่งกรมราชเลขาให้ตราพระราชบัญญัติออกประกาศเป็นใบปลิวให้รู้ทั่วกันทั้งพระราชอาณาจักรว่าตั้งแต่ปีชวดฉศกเหมือนศกนี้มีเลขหเป็นเศษท้ายไม่ให้เขียนและอ่านว่าชอ่อศกอย่าเขียนตัวอ่างเคียงไม่ให้เขียนไม่โทลงไปเป็นอันขาด ให้เขียนชาชิงเฉยๆก็พอถ้าเขียนและอ่านว่าช่อโสกอีกจะต้องว่าผู้นั้นผิดและฝ่าฝืนกรมราชเลขาก็บันทึกและออกประกาศให้ทราบทั่วกันและนิมนต์ท่านเทศต่อไปพระธรรมกิติก็ตั้งคำผีบอกสักการะต่อจนจบถวายพรแล้วเดินคทถาจนุนียบทอันมีมาในพราหมสังยุตตนิยปาติกวรรแปลถวายว่า มีพราหมูผู้หนึ่งแก่นั่งคิดว่าสมณังโคตมังอุปสรรคมัตวาอิมังปันหังปุชามิอะหังกูจะเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วกูจะถามปัญหากับเจ้าสมณโคดมดูสักหน่อยสีสันหาตวาปารุ ป, ปนังนิวาเสตวาขามโตนิขมิตวาเจตวนาะมหาวิหาราพิมุโคอัคมาสิสโสพราหมโน พราหม์ผู้นั้นคิดชะนี้แล้วแกจึงลงอาบน้ำดำเปล่าในห้วยและแกออกจากบ้านแกแกตั้งหน้าตรงไปพระเจตวันมหาวิหารถึงแล้วแกจึงตั้งข้อถามขึ้นแกเรียกกระตุกให้รู้ตัวขึ้นก่อนว่าโภโคตมะเนี่แนพระโคดมรันทันมาว่าถึงคำว่าเนียแนพระโคดมเท่านี้แล้วก็กล่าวว่าคำถามของพราหมณ์ และคำเฉลยของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอยู่เป็นประการใดสมเด็จพระพรมมหิเจ้าได้ทรงตรวจตราตรีตรองแล้วก็ได้ทรงทราบแล้วทุกประการดังรับประธานวิสัชนามาก็สมควรแก่เวลาแต่เพียงนี้ขอถวายพระพรพอยะถาสับพีเสร็จก็ทรงพระสวนตบพระหัตว่าเทศเก่งจริง พวกพราหม์ที่เขาถือตัวว่าเขารู้มากเขาแก่มากเขาไม่ใคร่ยอมคำรบพระเจ้านักเข้ามาคุยๆพอถามแก้รำคาญตอนนั้นๆเขาก็เชื่อในธรรมเขาก็สําเร็จเป็นพระโสดาที่ความดําริของพราหมณ์ผู้เจ้าทิฐิทั้งหลายเขาวางโตทุกคนเจ้าคุณแปลอาหางวักูนั้นชอบแท้ทางความดีจริงๆ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวีครั้นถึงเดือน11อขึ้น14บส่ค่ำปีชวดโศกนี้เองทรงพระมหากรุณาโปรดเลื่อนสมณศักดิ์พระธรรมกิติโตขึ้นเป็นพระเทพกวีราชาคณะผู้ใหญ่ในตำแหน่งสูงมีนิตยภัพยี่บาทค่าข้าวหนึ่งบาทรันออกพรรษาในปีชวดโศกนั้นแล้วพระเทพกวีโต จึงลงมาจัดการกวาดล้างกุฏิใหญ่ห้าห้องข้างคลองคูวัดระคังข้างใต้และบอกบุญแกบ่บรรดาผู้ที่มาประชุมกันให้ช่วยการทำบุญขึ้นกุฏิได้นิมนต์สงหลงสวดมนต์ทั้งวัดที่กุฏินั้นค่าวันนั้นมีมหาหรสพฉลองผู้ที่มีศรัทธานับถือเลยไปถึงไหนก็ได้มาช่วยงานถึงนั่นบรรดาผู้ที่มานั้นต่างก็หาเลี้ยงกันเอง งานที่ทํากลาวนั้นเป็นงานใหญ่มากเลี้ยงพระถึง500ร้อองผู้คนต่างนำสำรับขาวหวานเครื่องไทยทานมาถวายพระเทพกวีแน่นวัดแน่นว่าการเรียกพระเป็นรูปนั้นเป็นหน่วยจำนวนนับที่ใช้ในทางการแต่ในทางการพูดกันจริงแล้วมิยมเรียกว่าองเป็นการเรียกด้วยความเคารพและการให้เกียรติให้สังเกตว่าครูบาอ า, าจารย์จานวนมาก เวลากล่าวถึงพระรูปอื่นท่านมักจะเรียกเป็นองค์เช่นเดียวกันครั้นการเลี้ยงพระเลี้ยงคนสำเร็จเรียบร้อยแล้วท่านลงแจกได้ผูกข้อมือคนละเส้นและท่านบอกว่าดีนะจ๊ะลองดูจ๊ะตามประสงค์เมื่อพระเทพกวีโตเขึ้นอยู่บนกุฏิห้าห้องแล้วผู้คนก็ามาละเล้าลุลุมเพื่อจับหวยทุกวัน พระยาโหราธิบดีทำบุญฉลองสัญญาบัตรพระเทพกวีก็ได้ไปสวดมนต์ไปฉันพระยาโหราธิบดีและเสเมียนตราดวงปฏิสังขรณ์วัดบางคุณพรมคือวัดอินทราวิหารสมเด็จพระสังฆราชนาคพระเทพกวีโตก็ได้ไปฉันการฉลองวัดเมื่อท่านพระยา น, นิกรบดินสร้างวัดกัญญาณมิตรแล้วก็มีการฉลองสมเด็จพระสังฆราชนาค พระเทพกวีโตก็ได้ไปเทศไปฉันคราวพระยานิกรบดินสร้างโบสถ์วัดเกตชยโยพระเทพกวีโตก็ได้ไปเป็นแม่งานฉลองโบสถ์มีการมหรสพใหญ่ตามภาษาชาวบ้านนอกอำเภอชายโยนั้นมีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในกรุงเทพได้ขึ้นไปช่วยงานฉลองโบสถ์วัดเกศชายโยนั้นมากท่านด้วยกัน